ออกบวชเพราะอยากบรรลุธรรมอย่างที่สามีบรรลุอัตถกถาเล่าว่าท่านวิสาขาอุบาสกผู้เป็นอดีตสามีของพระธรรมทินาเถรีนั้นบรรลุโสดาปติผลในคราวที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่พระเจ้าพิมพิสารและชาวมคต12บนหุตคือหนึ่งแสนองหมื่นคนที่สวนตาล น, นม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 จนไม่มีเวลาบำเพ็ญสมณธรรมพิกษุณีผู้เป็นอาจารย์และอุปชาเห็นแล้วจึงพาท่านไปสู่ชนบทแล้วบอกกรรมฐานที่ท่านชอบไม่นานก็ได้บรรลุพระอรหัตเป็นพระอรหันต์ถึงพร้อมด้วยอภินิหารต่างๆท่านว่าที่พระเถรีธรรมทินาบรรลุง่าย เพราะเคยขายผมและนำเงินซื้อของเพื่อถวายทานแด่พระอรหรสาวกของพระพุทธเจ้าปทุมุตตระคลั้นบรรลุแล้วนางเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะอยู่ชนบทเราควรจะกลับไปกรุงรัชกรเพื่อให้หมู่าติได้ทำบุญพวกภิกษุณีก็จะได้ไม่ลำบากด้วยปัจจัยสีแล้วไปพร้อมภิกษุณีสง์